เอาหน้าอย่าซีเรียกเรื่องเก็บเงินวยยาวฉันไม่สามารถเก็บเงินได้เดี๋ยวนี้ ฉันยังเด็กเกินไปที่จะคิดชีวิตฉันเพิ่งเริ่มต้นทุกวันนี้ยังต้องแบมือขอเงินพ่อเงินแม่และฉันไม่เหลือพอที่จะเก็บฉันกำลังเล่นสนุกวันหนึ่งเมื่อฉันโตขึ้นฉันจะเก็บเงินวัยรุ่นฉันไม่สามารถเก็บเงินได้เดี๋ยวนี้ฉันยังเรียนหนังสืออยู่ พ่อแม่ให้เงินสำหรับพอใช้ในแต่ละวันเท่านั้นฉันยังเก็บเงินไม่ได้หรอกนอกจากนั้นฉันยังมีเรื่องอื่นๆที่ต้องใช้เงินอีกเมื่อฉันเรียนจบและถ้าฉันหาเงินได้เองฉันถึงจะเก็บวัย20ฉันไม่สามารถเก็บเงินได้เดี๋ยวนี้ฉันเพิ่งเรียนจบขอเวลาฉันได้พักสมองบ้าง และฉันยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดเรื่องนี้ฉันยังต้องการสแสวงหาความสนุกในขณะที่ฉันสามารถทำได้ยังมีเวลาเหลืออีกมากที่จะคิดถึงตอนนั้นเมื่อฉันพร้อมก็จะเก็บวัยสามสิบฉันไม่สามารถเก็บเงินได้เดียวนี้ฉันต้องมีครอบครัวและต้องรับผิดชอบหลายอย่างค่าใช้จ่ายลูกเดียวนี้แพงเหลือเกิน และฉันยังต้องผ่อนหนี้เงินกู้บ้านอีกด้วยทุกวันนี้แทบจะชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่แล้วถ้าวันข้างหน้าฉันหาเงินได้มากกว่านี้และลูกๆโตแล้วฉันจึงจะเก็บวัยบฉันไม่สามารถเก็บเงินได้เดี๋ยวนี้ลูกฉันเริ่มเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้ ค่าหน่วยกิตและค่าต่างๆแพงมากไหนยังจะต้องผ่อนหนี้เงินกู้ที่ซื้อรถยนต์ให้ลูกอีกฉันกลัวพวกเขาลำบากตอนนี้ยอมรับว่าค่าใช้จ่ายสูงจริงๆและเป็นเวลาที่ยากที่จะเก็บเงินแต่อีกสักระยะเมื่อพวกเขาเรียนจบการเงินคงจะคล่องตัวขึ้นถึงตอนนั้นฉันจึงจะเก็บ วัยห้ฉันไม่สามารถเก็บเงินได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ลูกๆเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหลายคนกําลังจะแต่งงานฉันอยากให้พวกเขาเริ่มต้นชีวิตที่ดีนอกจากนี้ฉันยังต้องไปช่วยญาติบางคนซึ่งตอนนี้พวกเขากําลังต้องการความช่วยเหลือเหตุการณ์มันไม่ได้เป็นไปตามที่ฉันคิดไว้เลยมันติดขัดไปหมด โชคดีเมื่อไรฉันคงจะเก็บเงินได้ไวัย60ฉันไม่สามารถเก็บเงินได้เดี่ยวนี้ฉันนึกว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นฉันอยา ก, กเกษียณอายุก่อนแต่ฉันไม่สามารถทำได้ฉันกำลังพยายามจ่ายเงินติดค้างจำหนองบ้านที่เหลือและหนี้สินอื่นๆแต่ทุกอย่างยังประดังเข้ามาไหนจะลูกเอย หลานเอยไอโนนไอหนี่มาลงที่ตัวฉันหมดถ้าพาระฉันหมดเมื่อไรฉันภาวนาว่าฉันน่าจะเก็บได้ไวัยเจฉันไม่สามารถเก็บเงินได้เดี๋ยวนี้ฉันแก่เกินไปที่จะเก็บเงินบำนาญของฉันก็มีไม่มากพอบินค่ายาและค่าดูแลรักษาพยาบาลระยะยาว ทำให้ฉันเป็นห่วงอยู่ฉันไม่อยากไปเป็นภาระของลูกๆเขาฉันน่าจะเก็บตอนที่ฉันมีและควรเก็บได้ตอนนี้มันสายเกินไปฉันไม่สามารถเก็บเงินได้เดี๋ยวนี้จริงๆ